เนื้อนาบุญเปรียบดังกลองใบใหญ่โดยคุณหลวงมีคนมากมายที่คิดว่าการทำบุญนั้นไม่จำเป็นต้องเลือกทำจะทำกับใครก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นการใส่บาตรนั้นแม้ระยะหลังมีคนปลอมตัวเป็นพระเพื่ อ, อยังชีพด้วยการบินทบาท หรือแม้จะเป็นพระที่บวชถูกต้องแต่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีก็มีผู้บอกว่าให้ใส่ไปเถอะอ น, นิสงส์ก็เหมือนกันแหละอย่างที่คนโบราณท่านว่าชั่วช่างชีดีช่างสงแต่เราไม่เห็นด้วยในข้อนี้จริงอยู่ที่ว่าทุกอย่างสาเร็จที่ใจแต่สาหรับอา น, นิสงส์และพลานิสงส์แล้วเป็นเรื่องที่ต้องแยกแยะให้เห็นสาหรับบางเรื่องแล้ว เราต้องพิจารณาอย่างละเอียดทีท่วนว่าเราควรจะใช้นาผืนใดหวานพืชชนิดใดแม้พระพุทธเจ้าเองในวินาทีที่ทรงตัดสินพระทัยในการที่จะประกาศพระาศาสนาพระองค์ก็ยังต้องทรงพิจารณาถึงผู้ที่พระองค์จะบอกกล่าวถึงการตรัสรู้นั้นเพราะจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพระองค์ในการประกาศพระาศาสนาในเวลาต่อมา พระพุทธเจ้าทรงเลือกหวานมาเมล็ดแห่งพระธรรมของพระองค์ในนาที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนเพราะความงอกงามของผลนั้นจะยังให้พระธรรมของพระองค์แพร่ขยายไปได้อย่างมั่นคงจากนั้นจึงทรงเมตตาในนาที่อุดมสมบูรณ์ลดน้อยลงมาตามลําดับแต่ในนาที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์แห้งแลง้งไม่มีแร่ธาในพื้นดินแล้วพระองค์ก็ทรงเว้นไว้เสียดังนั้นการที่เราทุกคนหวังผลที่จะได้จากการทําบุญ จะต้องแยกออกเป็นส่วนๆในเรื่องของบุญนั้นสำเร็จไปตั้งแต่วินาทีที่มีกุศ ล, ลเจตนาแต่สำหรับอานิสงฆ์และพลานิสงฆ์ที่มาพร้อมกับบุญต้องแยกออกเป็นอีกส่วนหนึ่งคนเราไม่ได้ต้องการบุญเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการพลานิสง์หรือแรงสะท้อนกลับจากการทำบุญนั้นเพื่อส่งผลให้เราพ้นจากวิบากกรรมเฉพาะหน้า และมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการให้บุญที่ตนเองได้กระทำไปนั้นส่งผลไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วฉะนั้นการทำบุญที่หวังผลก็คงไม่ใช่เฉพาะการจะสำเร็จด้วยใจเพียงอย่างเดียวแล้วแม้โบราณจะว่าไว้ชั่วช่างชีดีช่างสงแต่ก็ปรากฏชัดเจนว่าทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาผู้คนต่างก็เสาะแสวงหาพระเทราจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษอันบริบูรณ เพื่อจะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับทั้งบุญพลานิสง์และอานิสง์ในเวลาเดียวกันฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบการทำบุญที่ได้กระทากับพระสงฆ์ธรรมดาและกับพระสงฆ์ที่เปลี่ยนไปด้วยศีลอันบริสุทธิ์เคร่งครัดแล้วเจ้าประคุณท่านเปรียบให้เราเห็นว่าก็เหมือนการตีกลองคือพระสงฆ์ที่มีศีลบริสุทธิ์เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยก็เปรียบเสมือนเป็นกลองใบใหญ่ ส่วนพระสงฆ์ที่ไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเปรียบได้เช่นกลองใบเล็กถ้าการทำบุญเปรียบเหมือนการตีกลองเสียงตีกลองใบใหญ่ย่อมดังกว่าเสียงตีกลองใบเล็กนี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างเด่นชัดที่สุดและเมื่อยิ่งยากแยะไปถึงเรื่องเสียงหรือก็คือคลื่นที่เป็นผลที่ไดจากการตีกลองนั้น หากเราได้มีโอกาสทำบุญกับพระอริยะเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วผลที่ได้ก็เปรียบเสมือนกับการตีกลองใบใหญ่ที่ช่างได้สร้างขึ้นด้วยความประนีตคุณภาพของเสียงหรืออีกนายหนึ่งก็คือคลื่นย่อมดังกองกังวานได้ยินไปไกลและหากเรามีบุญวาสนากับท่านแล้วพลังแห่งคุ ณ, ณวิเศษในองค์พระอรหันต์นั้นก็จะขยายออกไปไกลมากขึ้นไปอีก พลังแห่งเสียงที่ได้ตีออกจากกลองใบใหญ่นั้นเจ้าประคุณท่านบอกว่าจะทะลุทะลวงไปทุกชั้นฟ้าและทุกชั้นดินเป็นการบอกกล่าวให้เหล่าเทวดาอารักษ์ที่สถิตในภพภูมิต่างๆรับรู้และให้ร่วมอนุโมทนาในบุญนั้นกับเราและเมื่อเราอธิษฐานอ้อนวอนขอให้ผลบุญที่เรากระทำนั้นได้แก่ญาติพี่น้องหรือบุคคลอันเป็นที่รักที่ได้พลัดพรากจากกันไปอยู่ในภพภูมิที่ต่างกัน พลังจากเสียงของกลองใบใหญ่จะบอกกล่าวไปถึงเทวดาอารักษ์ที่ห้อมล้อมรักษาพระอริยเจ้านั้นส่งผลให้เหล่าเทวดาอารักษ์ทั้งหลายไม่เพียงแค่อนุโมทนาในบุญที่เราได้กระทําแต่บางครั้งเมื่อบุคคลอันเป็นที่รักของเราตกอยู่ในภพภูมิที่ลําบากเหล่าเทวดาอารักษ์นั้นก็จะช่วยบรรเทาความลําบากนั้นให้ด้วยเช่นกัน ลวงตามหาบัวคือกลองใบใหญ่ที่สามารถส่งเสียงดังทั้งสามแดนโลกธาตุเรื่องของนุ่นเรื่องมนต์ดำและเรื่องอื่นๆคงพอจะเป็นเครื่องสนับสนุนซึ่งกันและกันว่าผลของบุญที่ร่วมทำกับพระอริยสงผลที่ได้ย่อมเปรียบเหมือนเสียงกลองใบใหญ่ที่ดังสะท้อนกล้องไปทั่วจักรวาลหลงชื่อคุณหลวง